ขอพระพุทธเจา้าขอเจริคพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน<ม>การปฏิบัติธรรมในช่วง4วันนี้<ม>อาจจะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกันนะ<ม>เพราะว่าการปฏิบั ต, ติธรรมเจริกรรมฐานส่วนใหญ่ ก็มีุดมุ่งหลายเพื่อให้เรามีชีวิตที่พาสุขนะไกลจากความทุกข์สามารถอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่หวั่นไหวใจกระเพื่อมไปตามความผันผปลีล่ยนแปรของโลกรอบตัวซึ่งพังงานคือว่าทำให้เรา อยู่ได้ด้วยใจเป็นสุขแต่ว่าคอร์สนี้เนี่ยทำไม่ได้มีจุดมุ่งหมายตรงนั้นทีเดียวนักอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจุดหมายหลักๆก็คือเพื่อให้เราสา ม, มารถเผชิญความตายได้อย่างสงบ ไม่ใช่แค่ช่วยให้เราอยู่ดีเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยให้เราตายดีด้วยคนเราเนี่ยเกิดมาทังทีนอกจากจะพยายามทําให้ชีวิตของตนเป็นชีวิตที่ดีงามโดยเฉพาเราชอบพูดเนี่ยเราก็มุ่งให้เกิดชีวิตที่ดีงาม ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ชีวิตไม่ว่าจะดีงามสูงส่งแค่ไหนในที่สุดมันก็มีวันจบสิ้นือตายเราจะคิดถึงการเรื่องการมีชีวิตที่ดีหรือการอยู่ดีอย่างเดียวนี้ไม่เพียงพอนะถ้าคิดเป็นแค่นั้นเนี่ยถือว่าประมาท หรือว่าเป็นความหลงโดยซ้ำเหมือนกับคนที่คิดว่าเหรียญยมีหน้าเดียวเราก็รู้ใช่ไหมว่าเหรียญมีสองหน้าชีวิตกับความตายมันก็มันก็หัวกับก้อยมันอยู่ด้กันเราจะเลือกถึงจะเรื่องการอยู่ดีแต่ว่าไม่สนใจเรื่องการตายดีก็ไม่สมควร จากที่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลึกถึงแต่เรื่องการอยู่ดีแล้วก็อยู่ดีในความเข้าใจของเขาคือว่าอยู่ดีกินดีซึ่งกหมายถึงว่าการมีทรัพสมบัติหรือว่าบริษัทบริวารชื่อเสียงปิตยศก็ตั้งตาตั้งตาแสวงหาสะสม แล้วก็ไม่เฉลิมใจว่าไอ้ที่แสวงหามาทั้งหมดเนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งมันก็จะเป็นโมฆะโมฆะคือว่าไม่มีเดียวะไรเลยเอาไปไม่ได้ทักอย่างเพราะสิ่งที่จะตามติดตัวไปเมื่อตายก็มีแต่บุนกับบาสนั่น ตอนนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แน่ชัดว่าเราทุกคนต้องตายาผู้ที่มีปัญญาเนี่ยก็จะเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะรับมือกับมันแต่คนจะนวนไม่น้อยเนี่ย เมื่อนึกถึงความตายก็เสียสยอดแต่ ว, ว่าแต่ความตายของตัวเองเลยนะแล้วกระทั่งคำว่าความตายเนี่ยก็ไม่อยากพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะมีคำที่ใช้ทดแทนคำว่าความตาย เ, ย, เยอะมากเสนลงลม ทีนี้เราพยายามคิดค้นคำต่างๆมากมายเพื่อที่จะเลี่ยนไม่ใช้คำว่าความตายหรือเพื่อที่จะเลี่ยนไม่ได้ยินคำนี้เช่นสิ่งลมจากไปหรือว่าละโลกนี้ไปมรณะเสียสลัด มีคมีคำสารพัดมากมายนะที่ใช้แทนคำว่าตายรวมถึวคาปดลมด้ว ย, ยสิ่ลงในขณะที่คำว่าป่วยไข้เจ็บปวดเนี่ยไม่ค่อยมีคำที่จะมาใช้เรียกมากมายเท่าไหร่เวลาเจ็บปวดเราก็บอกอตัวเก็ป่วยเจ็บแต่เวลาบอก ต่บอกว่าใครตาสักคนนี้ก็หลบไปใช่คะว่าเขาสิ้นลมเขาจากไปเขาละลงนี้ไปแล้วทำไมนะก็เพราะว่าเรากลัวความตายในกลามนจะเอ่ยชื่อคำว่าความตายตอนที่อาจะมาเริ่มจัดโครงการอบรมเฉลิมความตายอย่างสงบเมื่อปีสี่เจ็ด ก็มีมิตรผู้อังดีเขาบอกว่าตรงไปใช้คขาอื่นเล้ไหมเช่นสุริยมรณาเพราะดีนะแต่เราก็บอกว่ า, วาอ ย, ย า, า, า, ยา ก, กายาให้ใช้คำเดิมเพราะหากคำว่าความตายยรับไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวเอง ในวัข้างหน้านี่คำว่าความตายจะโดนคำพูดจาบไปแล้วคือพูดตรงๆไม่ได้ก็ต้องเรียกไปใช้คอพ่นมันสะท้อนในเรื่องความรู้สึกที่เป็นลบต่อความตายแล้วก็ไม่ใช่ลบเท่านั้นนะยังแสดงนความความกลัว กลัแมระทั่งคำว่าตายทีนี้เวลาจะพูดเรื่องความตายของชีพคนหรือ ว, ว่าจะเป็นความตายจริงนะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ความตายของตัวละ ค, คโโ ร, ะรนะเช่นความตายโกโบรีอะไรนั้นนะอะไรความตายจิตเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะพูดกันเท่าไหร่พูดแล้วก็จะถูกหยุดถูกเบรคนะ หากเป็นอัปามงคลคนทุกวันนี้เนี่ยกลัวความตายมากก็เลยพยายามที่จะไม่นิดถึงมันแล้วพย า, ยามอีกเรียกอะไรป็นาณที่จะเตือนให้เราเลือกถึงความตายแต่ั้งที่รูแล้ว เ, เตือนได้ต้องตาย ไม่ช้า ก, ก็เร็วแต่ก็พยายามที่จะปฏิเสธพยายามที่จะไม่นึถึงพยายามที่จะลืมและวิธีที่จะลืมไม่ต้องนึกถึงความตายนอกจากการไม่พูดถึงมันไม่อยากฟังก็ยังใช้วิธีอื่นเช่นทาตัวให้บุญทําใจไม่ให้ว่า เพราะว่าถ้าใจใจวุ่นใจไม่ว่างนะมันก็ไม่มีเวลาที่จะมานล่นถึงเรื่องนีแ้แต่เพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยเขาจะพยายามัำตัวให้วุ่นตลอดเวลาไม่ว่างเลยไปเที่ยวห้างไปช้อปปิ้งไปคุกคีพูดคุยกับคนโทรศัพท์ทำอะไรต อ, อะไรมากมาย หลายคนบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ว่าในส่วนลึกก็อาจจะพอใจกับนที่ไม่มีเวลาเพราะถ้าว่างเมื่อไรเดี๋ยวมันถึงความตายไม่ได้ให้พอทำตัวให้บุญทำจใจแม่ว่างรวมทั้งการไปไปนัวจดจ่ออยู่กับงานการเลี้ยงดูเลีล้ยงหลานให้ให้บุญเข้าไว้ ก็เลยกลายไป้ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมีชิดเหมือนคนลืมตายอย่างนี้มีเยอะดีนะคนที่อยู่แบบลืมตายคือลืมไปเลยนะว่าตัวจะต้องตายหลายคนเนี่ยอยู่มันก็คิดว่าตัวจะอยู่ข้างฟ้าเพราะฉะนั้นก็ต่างนานกาเสีสุข สะสมทรัพย์สมบัติมากมายหรือทำอะไรต่ออะไรส า, ารพัดอายุ80ก็ยังไม่รู้จักมาหยุดคิดว่าเออเราใกล้ตายแล้วนะเร า, าเตรียมตัวไปไหนบ้างไม่มีใครที่จะหยุดคิดมีเหมือนกันน้อยก็อาแต่วนะุ่นอยู่กับนะการเลี้ยงดูเลี้ยงหลานหรือทํางานทาการ อันนี้พอมีชีวิตเหมือนคนลุตายก็อะไรเกิดขึ้นตามมาเมื่อตัวเพราะว่าเป็นโรคร้ายเจ่นมะเร็ไตาวายหรือว่าเกิดเป็นโรคกเช่นสมองแตกที่กางเอามาพึกเอามาพา ตาวนี้แหละก็จะตกใจแล้วก็เลยกลายเป็ว่าอยู่มันคนตายหรือว่าตายทั้งเป็นก็คือว่าหมดอะไรกายยากระชีตไม่มีชีวชีวากินไม่ได้นอนไม่หลับผมก็ไม่สนใจเสื้อผ้าก็ปล่อยผ่านละเลย ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมหรือแม่ก็เกดด่าชะตาการรมทำไมต้องเป็นชัน่งทําไมต้องเป็นชั่นอันนี้เรียกว่าอยู่ไม่นคนตายคือไม่จระลมหายใจแต่ว่าไม่มีชีวชีวาหรือบางทีก็เรียกว่าตายทั้งเป็นมีคนแบบนี้เยอะมากพเพราะเราตนเป็นมะเร็นบานก็อายุมากแล้วแต่ว่าก็ยังทําใจไม่ได้ เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องตามบางคนไม่คิดเลยสักว่าเัิเก็ต้องแก่เอาแต่รอตกกัวเอไปวันๆวันนี้เพราะว่าอยู่แบบลืมตายต่ขอความ ใตัวในรูปของความเจ็บความป่วยความพิการนะก็อยู่มันตายแล้วก็ถึงเวลาตายจริงๆนั้นก็มักจะหลงตายหลงตายใเป็นธรรมุมราณแต่ว่าไม่มีสติตายหรืมีสติตายในทุรนทุรายแม้ว่าจะมีเงินมากมายหลายวอยร้าง ที่สามารถจะช่วยยื้อชีวิตไว้ได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ตายสงบได้เลยการยื้อชีวิตเนี่ยสามารถจะทำได้ด้วยการทุ่มเทเงินทองนะแต่ว่ายื้อไปแล้วคุณภาพชีวิตเนี่ยีคือจะไปอีกเรื่องหนนะเพราะบางคนก็อยู่ในห้องพิเศษท้องไอซียู หมดไปเดือนละล้านเดือนละล้านหรือว่าวาละหลายแสนก็ยื้อลมหายใจไปได้ยาวแต่คุณภาพชีวิตไม่มีเลยืย้อชีวิตเน่สามารถจะใช้เงินทําให้สําเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่การตายสมงดนี่คนละเรื่องนะการตายสงบนี่มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นหลักประกันหรือว่าจะตายสงบได้ พรมันไม่ได้ใช้เงินมนันเรื่องการใช้ใจเป็นเรื่องการวางใจแล้ว ม, มีเงินเท่าไหร่เนี่ย น, นะก็ทําได้เยอมากก็ง่ายคือลมหายใจให้ยาวขึ้นอีกหน่อยแต่ไม่ได้เป็นหลักประกันหรือว่าจะตายสงบได้หรือตายดีเนี่ยมันมีความสูญเรื่อนกันนะั้นระหว่างการที่อยู่แบบเริ่มตายเสร็จแล้วก็ อยู่เป็นคนตายหรือว่าตายทั้งเป็นเสร็จแล้วก็หลงตายแล้วก็มีตำนวนไม่น้อยนาะที่บอกว่าให้ความตายมันไม่ยากมีนักเขียนเดินตลอดคนหนึ่งนะ่อาบุกบอใน จะเค น, นอเมริกันแกเคยเขียนว่าไนงะตายเลยไม่ยากหรอกหาที่ต่อร่มในนิวยอร์กเหยาียดเยอะเลยแกเป็นึนนิวยอร์กดกรุงนิวยอร์กไม่รู้แกพูดเล่รพูดจริงนะหรือว่าพูดกันนกันแนค น, นอเมริกันที่คิดว่าความตายเป็นรือ่อยมากไม่ต้องเตรียมตัวก็ได้ ถ้าพูดแบบไทยๆอยู่ไปตายดันหน้าไปตายดับหน้าเพราะว่าไปว่าหาัน้างหน้าจึงตรง น, นั้นก็นไปว่ า, ากันเรลยไปตายดาบหน้าแลายคนคิดแบบนี้นะตอนนี้ขอหาเงินก่อนตอนนี้ขอเที่ยวก่อนตอนนี้ขอสนุกก่อนเรื่องตักเรื่องการเกิดตัวตายไปว่าทุงหน้าไปตายดานหน้าถึงเวลาก็ตกมาตาย ก็ตายแบบทุรทุรายทําใจไม่ได้บอกให้หมอช่วยยือ้อผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายฉันไม่อยากตายพอยือ้อเขายิงกิด้วยทเทคโนโลยีในนาชันนี้ก็บอวกว่าขอตายเพราะว่าถูกเจาะคอใส่ท่อสารพัด พูดไม่ได้สงสายตาบิงวอนบอกลูกหลานเขาว่าปล่อยฉันไปเถอะแต่ว่าลูกหลานตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าไม่กล้าตอบพ่อไม่กล้าปิดเครื่องกลนะัวบาตแล้วก็หลอให้พ่อแม่ก็ค่อยตายไปเองกว่าจะตายก็หมดไปหลายสิบล้านแล้วคนป่วยก็ไม่ได้ตายสงกเลย ทรมานอันนี้เป็นผลของการที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรไหลายอย่างเพราะว่ า, าประมาทกับชีวิตหรือไปคิดหรือไปคิดว่าไปตายไปตายแบบน้าหรือเป็นเพราะว่าอยู่กับลืมตายจากพวกเราเนี่ยอาจะมาเชื่อไม่ได้อยู่แบบลืมตายเพราะถ้า อยู่กันนั้นก็คงไม่มาที่นี่ใช่ไหมเพราะเรามาที่นี่เพราะเราคิดว่าเรารู้ว่าเราต้องตายแต่ว่าทั้งที่ว่าเกิดต้องตายแต่หลายคนก็ยังสุดตัว ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องธรรมดานะที่เราจะรู้สึกกลัวตายแล้วก็น้อยความกลัวตายก็ทําให้เรามาที่นี่หลายคนเนี่ยมาที่นี่เพราะถูกความกลัวตายผลักให้มานะเพราะว่าอยากจะอยากจ ะ, ะเผชิญความตายด้วยใจสนุก อันนี้เป็นวิธีของผู้ที่ไม่ประมาทเป็นวิธีของผู้ที่มีปัญญาก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราต้องเจอการหนีมันมีแต่จะเป็นโทษเมื่อเราต้องเจออย่างแน่นอนเราต้องหันหน้ามาเผชิญกับมันแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะรับมือกับมันให้ดีที่สุดนะเมื่อเราอยู่เราก็อยู่ให้ดีที่สุด แล้เมื่อเราจะตายก็ต้องตายให้ดีที่สุดอันนี้มันน่าจะเป็นเป็นเป็นหลักการนะของผู้ที่มีปัญญาไม่ว่าทำอะไรก็ทำให้มันดีที่สุดเมื่อยังมีชีวิต อ, อยู่ก็อยู่ให้อย่างดีที่สุดและเมื่อจะตายก็ตายให้ดีที่สุดหรือจะคิดแบบนี้ก็ได้ว่าจะตายทั้งทีก็ต้องตายดีให้ได้ เพราะคนเราเนี่ยทั้งชีวิตนี้ตายในครั้งเดียวทั้งชีวิตนี้นะแต่ว่าพวกเราจะเคยตายมาหลายครั้งแล้วก็ได้เพราะว่าผ่านมาหลายภพหลายชาติก็ต้องแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องจบลงด้วยความตายแต่ลภพชาตินี้เนี่ยนะแต่แต่ละภพแต่ละชาติก็ตายในครั้งเดียว เมื่อจะตายทั้งทีก็ต้องตายดีให้ได้เราต้องตายดีให้ได้มันไม่ใช่ว่าเราเราตายได้ทังเดียวแต่เพราะว่าเติมงลันสูงด้วยถ้าเปรียบการความตามนการสอบไล่ครั้งสุดท้ายเป็นการสอบไล่ทั้งสงคัญที่สุดในชีวิตนะมัน เป็นการสอบไล่จริงๆนะคือไม่มีคําว่าซ้ําชั้นไล่คือไล่ให้ไปนะถ้าไม่ไปสุมติก็ไปทุกตินะมาเป็นการสอบไล่จริงนการการตายนะสอบไล่ในโรงเรียนเนี่ยสอบตกอย่างซ้ําชั้นใช่ไหมคนระับมไม่ได้มัไม่ได้ไม่ถูกไล่ไปไหนเลยที่อยู่ที่เดิมถ้าสอบตกนะถ้าสอบได้ก็จะ ไ, ไปสอบไม่ได้ก็ซ้ํา แต่ความตายเป็นการสอบไล่ที่ไม่เหมือนการสอบไล่สำหรับบุคเพราะว่าไม่มีคําว่าซ้ำช้ำมันต้องไปสถานเดียวหรือจะไปสุขศึกษาไปอบายนะและเนื่องจากถ้าตกไปอภัยแล้วก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหรนะ่มันจึงเป็นเดิมพันที่สูงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ การสอบทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาในชีวิตหรือที่เราจะเจอในวันข้างหน้าเราสอบในโรงเรียนสอบข้ามมหาวิทยาลัยนะสอบสมัครงานตกเนี่ยสอบใหม่ได้แก้ตัวใหม่ได้ใช่ไหมฮะสอบข้ามอาจารย์ไม่ได้ปีต้าสอบใหม่ หลายคนก็สอบได้แต่ว่าสอบไร่ทั้งสมพันเฉลียชีเนี่ยซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่สอบตกไม่มีการแจ้งตัวและการสอบใช้ี่นี้เนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่เราไม่รู้ว่าจะจะสอบเมื่อไหร่ สอบข้ามอุทัยเนีสอบข้ามชั้นขึ้นชั้นใหม่เนี่ยเรารู้ว่าจะสอบเมื่อไหร่สอบสมัครงานสัมภาษณ์เนี่ยเรารู้ว่าจะสอบเมื่อไหร่แต่สอบรกขั้นสุดท้ายในชีวตเนี่ยไม่รู้และไม่รู้จะทำไงก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าจะสอบเมื่อไร่และเดิมพันมาสูงมาก ตกล็คือไปอาบายก็ไม่รู้ว่าไปอาบายนานเท่าไหร่แต่เป็นส่วนใหญ่ที่ไม่ตำหนักเลยนะไม่รู้ว่ามันจะสอบเมื่อไหร่ก็เลยสบายนะประมาณเท่า น, นั้นที่มาจจะเกิดขึ้นมาพุ่งนี้ก็ได้ความตายนันใกล้ตัวมากนะถึงแมจะเป็นหนุ่มสาวอายุสามสิบสี่สิบ มันใกล้ตัวมากเลยมีพระสิทที่เดบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระวังพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมา ก, ก่อนอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้ก่อนแล้ ว, ลวค่อยชาติหน้านะี่เทินนี้ประมาทมากประมาทว่ายังจะมีพรุ่งนี้สำหรับเราอย่างแน่นอน วันนี้เนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยมีคนประมาณแสนห้าหมื่นคนที่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาค้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยนะไม่ถึงว่าพรุ่งนี้นะทั้งโลกในวัาแสนห้าหมื่นคนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราเนี่ยอยู่ในแสนหน้าหรือเปล่าทำไมก็ไม่ไม่ไม่รู้เลยนะไม่แน่ใจเลยทราบว่าเพื่ออยู่ในเป็นอในแสนห้าหรือไม พ้นจากวันนี้ไปก็ชาดหน้าเลยเผอๆหมดชั่วโมงนี้ไปก็ชาดหน้าเลยก็มีนะเนี่ยมันเป็นการสอบที่ที่สามารถจะจู่โจมโดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้นั้นถ้าเราจะสอบให้ผ่านเนี่ยนะ เราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลามาเมือ่อไหร่ก็ก็เข้าห้องสอบแล้วก็สอบได้อย่างเต็มที่สอบให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เรามาการที่เรามาตากเตียมนะด้วยการมาเข้าอบรมแบบนี้เนี่ยนะมันก็ เป็นเรื่องที่น่าโมทนาพอแสดงว่าเราเพยายามที่อเตืียตัวนะเรามาเรียนนะมาเรียนเพื่อเรื่องนีวิชาสำหรับเอาไปสอบวิชาที่ว่านี้มันก็น่าแปลกนะ มันไม่มีสอนในโรงเรียนในมาเทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเขาว่าอุดมเนี่ยมันก็แปลว่าสูงสูงส่งนะแต่ว่าไอ้เรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยนะมันไม่มีสอนในสถาบันการศึกษาใดเลยนะอาจจะมีสอนในวัดแต่มีสอนนะใน ก็สบปฏิบัติธรรมมันก็น่าแปลงทั้งที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นและและต้องและจะต้องได้ใช้วิชาความรู้นี้แน่เราเรียนมาในหลายวิชาเนี่ยเรียนมาเป็นสิบปีไม่ได้ใช้นะคืออาจารย์เป็นหมดละ วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยคนไทยเรียนมาเป็นสนะิบปีของที่สิบสองปีไม่ได้ใช้กัเยอะนะเรลยเ ร, นะเรียนบัญชีจบมาก็ไม่ได้ใช้วิชาบัญชีนะอาจจะไปตัดเสือ้อ หรือว่าผลิตรองเท้าบางคนจบวิศว์มาสี่ปีก็ไม่ได้ใช้เพราะไปเรียนไปเป็นผู้จัดการไปทำงานธนาคารมันมีวิชาหลายอย่างนะที่ ดูเหมือนจะไม่สำคัญกับชีวิตเลยนะแต่เราก็ไปเรียนกันนะบางคนก็ไปเรียนวิชาจัด ก, กับไม้ชงน้ำชานะทำขนมกอ็องเบรนนะปีแเนี่ยกำเบรทนะทำขนมอดเป็นปีนะแม้แต่ตีก็ให้ต้องไปเรียนกันนะ เพื่อจะมาไปเรียนกอล์ีกอล์ร้อยชั่วโมงหมดไปเป็นหมื่นนะหลายหมื่นตีเสร็จเรียนจบนะก็เปลี่ยนไปตีฟองแทนกอลเลินเล่นไม่ได้ตีฟองไม่ได้ใช้เลยแต่วิชาเราเนี่ยดูเหมือนก็ไม่ไสำคัญจาเป็นสำหับชีวิตเรียแต่เราก็ให้เวลากับมันเลแต่วิชาเตรียมตัวตายเนี่ยซึ่งเราทุกคนต้องใช้แน่ กไม่มีสอนเท่าไหร่แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่คี่จะเรียนหรือไม่ที่ว่าคนจะให้เวลากับนันเรียนอย่างอื่นเรียนได้าสารพัดถ้ทาที่ไม่จำเป็นหรือว่าเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ซ้ำแต่ทำไมวิชาที่ช่วยทำให้เราตายดีตายสงบเราถึงไม่ค่อยเรียนกันเราถึงให้เวลากันน้อนมาก สี่วันนะก็ไม่ใช่มากนะแต่อัตมาเชื่อว่าเราสามารถจะเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยตลอดสี่วันเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนนะเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ก็เป็นไปได้เรียนวิศวะ คณิสสามไม่ได้ใช้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่วิชาที่เราจะเรียนในสามสี่วันเนี่ยได้ใช้แน่นอนเพียงแต่ ว, ว่าจะใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะว่าวันที่เราต้องตายเนี่ยมันเป็นความจริงที่หนีไม่พ้นอันนี้ในเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยนะสนิ่งที่เราทำความเข้าใจเราถือว่า สิ่ที่ต้องมีก็คือการทาความเข้าใจเกี่เรื่องความตายนี่เป็นพื้นฐานเลยในการทาความเข้าใจเรื่องความตายถ้าสมมุติเรามองความตายเป็นศัตรูเราก็ยิ่งต้องศึกษาความตายให้ให้เข้าใจหรือสรุปโปรโภเพราะว่า เราจะชนะศัตรูได้อย่างไรถ้าเรารู้จักศัตรูนะอย่างที่ซุนวูเขานะปราชาจินบอกว่าเนี่ยรู้เรารู้เขานระ้อยศึกก็บอกผ้า่คือเราจะทําสงครามเนี่ยซุนวูเขาบอกจะทําสงครามก็ต้องรู้จักศัตรูให้ดีเมื่อรู้แล้วนี่ก็จะชนะได้ร้อยลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งถ้า ร, ารู้เรารู้เขา เพราะนั้นใการเตรียมตัวตายนอย่างไรที่ต้องทำ ต, ต้องมีคือการทำความเข้าใจาเรื่องความตายและถ้าเราเข้าใจความตายอย่างรอบด้านครบถ้วนเรียกว่าครบ3ารอบสุบองศาธรัมาเช่วยันให้เรากลัวตายน้อยลงไอ้ที่กลัวตายเพราะไม่รู้จักความตายดีพอ ควกลัวทั้งหลายเนี่ยจะว่ากันแ้วก็เกิดจากการที่ไม่รู้จักสิ่งนั้นมีนักศิชาสารคนนึงชื่อมารีปูรนะีจะเป็นนักศิชาที่เก่งมากนะคือผู้หญิงได้รางวัลโนมเรลมาสองครั้งจะไม่ได้เก่งเพราะเรื่องวิทยาศาสตร์แต่แกเก่งเรื่ชีวิๆๆตเกินจะบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่าต้องทำความเข้าใจไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะมีแต่สิ่งที่ต้อง ท, องทองาําความเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็าจะหายกลัวอันนี้ก็ตรงกับปฏิเพื่อศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยมองว่าความกลัวเกิดจากโมหะเมื่อปัญญามาแทนที่โ ม, มหะวความกลัวก็หายไปนี่เมื่อเราทำาเข้าใจความตายเนี่ยเราจะพบ ว, ว่าจริงๆแล้วความตายเนี่ยเป็น เป็นวิกฤตก็จริงนะแต่มันก็เป็นโอกาสด้วยความตายเป็นวิกฤตทางกายแต่เป็นโอกาสทางจิตใจความตายเป็นจะเรียกว่าเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสก็ได้นนะสำหรับการที่จิตเนี่ยจะได้เลื่อนสู่ภูมิที่สูงขึ้นทั้งก่อนตายแล้วก็หลังตาย อาจารย์พุถ้าพูดว่าเนี่ยไอ้ช่วงจะตายเนี่ยมันเป็นนาทีทองชีวิตเป็นนาทีทองชีวิตนาทีทองที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าตอนที่มีลดราคา mid night sale หรือว่าแจกกระนำนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นตอนที่เรากาลังจะหมดตมนะในสถาบุนการมีพระอาหารจำนวนมากทีเดียวเลยนะ ที่ท่านบระรุธรรมตัสสรุตแจ้งเป็นแจ้ ง, งสัจธรรมเนี่ยก็ตอนที่ท่านก็เนี่ยตายเราจะตายด้วยสายเหตุอะไรก็ตามเช่นโรคที่ไายแรงหรือว่าถูกไฟเผาครอบถูกเสือกัดอย่างปฏิชาเถรรังเนี่ยท่านเป็นโรคที่ สามคนาลรังเกียจมีแผงผู้ฟองเป็นตัวสงกริ่นเหม็นน้ำเหลืองเหม็นม า, จากจนกถ้ทเพื่อนพ้านี่ต้องทิ้งท่านไปเลยดูแลไม่ไหวปล่อยให้ท่านนอนจงกองปราศรัจรัสวะโสวผู้เจ้าจ เ, เมื่อทราบก็เสรมมาเยี่ยมแล้วก็มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดเอาทีวารไปซักไปตบท่านก็เดินพอได้ทาพอทำเช่นท่านก็ เพรจิตสาก็รู้สึกสบายน้สบายตัวมากขึ้นแต่ทุกเวทนาก็กำเริบแรงกล้าเป็นลนําดับในขณะที่ท่านใกล้จะตายเนี่ยลุจจาก็จัดเป็นคาถานะคาถานี้ต่หลังก็เรียกก็เรียกง่ายๆว่าเป็นบางสุกุลเป็นบางสุกุลเป็นแล้วมันคู่กับบางสกุลตายนะบางสุกุลตายก็ลุจจาวสังคารานะ แต่มาสุกุลเป็นก็อจิรมอตจ ย, ย, ยังกโยก็แปลงง่ายๆว่าทีไม่นาสังขารนี้ก็จะเสื่อมไป เ, เมื่อวิญญาณออกจกรางถูกคนทอดทิ้งก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนมาหาประโยชน์ไม่ได้ท่านพระจิสาวพิจารณาตาท่านขที่ทุกขเวทนาก็องดิั น, นเกิดเกินท่านก็พิจารณาก็เห็นเลยนะว่าสังขารเป็นทุกข์มากสังขารนี่มันไม่ใช่ เป็นสุขเลยนะมันเป็นไม่ได้ทุกข์เหมือนกับทานก้อนแดงแดงที่ไม่ควรยึดมั่งถือมั่งท่านพิจารณาปัญญาก็เกิดจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นะสิ้นกิเลสในจังหวะเดียวที่สิ้นลงคือท่านไม่ถ้าท่านไม่ใกล้ตายหรือถ้าท่านไม่ไม่ป่วยหนักไม่มีทุกขเวทนาอีคัณเนี่ยท่านก็คงไม่มีไม่เกิดปัญญานะคนบางคนเนี่ยจะเกิดปัญญาได้ทั้งเจอทุกข ที่จริงก็ว่าคนบางคนก็ไม่ถูกนะเรียกส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เจอทุกเนี่ยไม่เห็นธรรมและความตายเนี่ยมันเป็นช่วงโอกาสที่สังขารจะแสดงธรรมให้เห็นอย่างแจง่มแจง้งจะนกที่ว่าหนีไม่พ้นหลบไม่ได้และถ้าเกิดว่าเราเปิดใจรับสัจธรรมแล้วเนี่ย จิตก็หลุดคนได้ปัญญาก็เกิดจิตก็หลุดคนพระัจ้์สุทโธทนะนี่ก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นาระรันกาตอนที่มีคุเวทนาแหลงกล้าแล้วก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพรนนะรัชในช่วงที่เจ็บปวดมากแล้วก็ก่อนที่จะสิ้นลงไม่นานเลยนางสามาวดีก็ถูกไฟค่อกแต่ว่าไม่ปล่อยใจให้เจ็บ ถูกทุกเวทนาอีกคั้งแต่ว่ากับเอาเวทนาหรือทุกเอาทุกเวทนาเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนานะจนกระทั่งได้บรลุทธรรมขั้นสูงนางสาวอ๋อีแล้วก็บริษัทบริวัณ500คนมีพุ้เจ้าประสาทเสือเป็นการตายดีเพราะว่าได้ผลุธรรมขั้นสูงกันบริษัทโสดาบับ้งสกิทาบ้างอนาคามียบัาง ที่เขาอุบาสก็เหมือนกันนะป่วยนักทุเจ้าก็มาสแสดงธรรมแล้วก็แล้วก็สอนเรื่องอนัตตาที่เขาพิจารณาตามนะเป็นสังขารว่าเป็นอนัตาตาขณะที่กำลังป่วยอย่างนี้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่กำลังป่วยนี่นะทำสังขารมันจ ะ, สะแสดงธรรมให้ชักเกดเจนมาก ตอนที่เราสุขภาพดีเนี่ยสังขารก็แสดงทำให้เห็นนะใจรักเนี่ยแต่มันไม่ชัดเพราะว่ามีความสุขนะความสบายนะมันเด่นกว่าความทุกข์พอทุกข์เราก็ขยับนะความข้องขัดก็หายไปความสบายก็มาแทนที่ แต่ตอนเจ็บป่วยเนี่ยนะขออยันยังไงก็มันก็ยังทุกข์ซึ่งมันทำให้หึงชัดนเลยนะว่าสังขารเป็นทุกข์มากแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยและตรงนั้นแหละคือหน้าต่างโอกาสโอกาสที่จะหลุดพ้นบางท่านนี่ต้องถูกเสือกัดนะขนาทุดงแล้วก็ท่านก็บรรลุธรรมคามปากเสือเลยขณาทุ่ทุกขเวทนาแรงกล้านนะ ท่านก็ได้เห็นสัจธรรมอยู่ขไตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความตายเนี่ยมันครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยช่วงที่จะตายมันเป็นนาทีทองผู้ภาษาสมัยใหม่คือเป็นหน้าตายเห็นโอกาสโอกาสที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงไม่ขั้นใดก็ขั้นสูงแต่ถึงแม้หลายคนอย่กจะไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะบรรลุธรรมอะไร ก็ยังเป็นแค่ปรดชนธรรมดาแต่ว่าความตายก็สามารถจะนำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตจิตใจได้หลายคนเนี่ยเมื่อตอนที่ป่วยหนักใกล้ตายเนี่ยหรือในระยะสุดท้ายชีวิตเนี่ยเขากลับพบความสุขสุขกับตอนที่ยังไม่ป่วยอย่างสุภาพพรที่เราจะได้ดูวิดีโอเนี่ยในวันต่อๆไปเนี่ย ค okay, พูดว่าในสองสามปีสองาช่วงสุดท้ายของเขาคือสองสามปีก่านตายเนย mm hmm. เขามีความสุขมาก mm hmm. เพราะว่าความตายมันสอนให้เขาปล่อยวางและปล่อยวางมาเท่าไหร่ก็สุขมากเท่านั้นกายทุกข์ก็จริงแต่ใจมันเป็นสุขเพราะปล่อยวางและไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นหรือผลัก ให้เราปล่อยวางได้ดีเท่ากับความเจ็บป่วยและความตายแ้ควาจะบปวยและความตายนี่จะศัตรนะูสามารถจะเป็นครูที่ดีได้แต่จะเป็นครูที่ดุนะเราเคยเจอครูดุไนะครูดุที่เราไม่อยากเจอนะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราต้องขอบคุณวนะ่ขอบคุณครูที่ดุนะที่ทำให้เราได้รู้คาาวามรู้ครูบางคนก็ถึงกับตีนะแต่เราก็บอกขอบคุณครูนะที่ทาให้เราได้รู้วิชา ความตายเนี่ยครูที่ดุมากเลยนะแม่สัตรูนะเป็นครูที่ดุมากนะซึ่งมันทำให้เราตื่นตัวทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาได้อย่างรวดเร็วสับคันเลยนะไอและสิ่งที่ช่วยได้คือช่วยเราปล่อยวาง้หลายคนจะพบความสุขสงบใจตอนใกล้ตายความ ตอนใกล้าตายเนี่ยหรือความตายเนี่ยมันยังสามารถจะนําการคืนดีมาสู่ผู้ป่วยแล้วก็ยากหลายคนเนี่ยนะที่เคยทะเลาะเบาะแวงนะกับสามีหรือภรรยานะพอลมป่วยนะการคืนดีกเกิดขึ้นสามีภรรยาหลายคู่เลยนะที่กลับมาสวีทกันเหมือนเดิม น, นตอนที่ไฟได้ไฟหนึ่งกำลังจะตายหรือป่วยหนัก เพื่อนที่เคยทะเลาะเบาแหวงกันก็กลับมาคืนดีกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังจะตายฉนั้นความความตายเนี่ยมันสามารถจะนำพาสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราได้อาตมาถึงเรียกว่าความตายเป็นโอกาสด้วยมไม่ใช่แค่วิกฤตฉะนั้นถ้าเรารู้จักความตายดีพอเนี่ยเราจะกลัวตายน้อยลงแล้วเราจะพบว่าที่จริงแล้วเนี่ย ความตายไม่น่านกลัวเท่าความกลัวตายหลายคนตายอย่างสงบเพราะเขาไม่กลัวแต่หลายคนถึงแม้จะยังไกลจากความตายแต่ว่าเหมือกับตายทุกวันคนที่เป็นมะเล็งพู้ตัวเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งยที่สองเนี่ยหลายคนเนี่ยเหมือนกับตายทุกวันเลยนะเพราะว่าหัดตายุแต่อยากชีวิตกลัวเสียสยอง มีคำมีภาษิตจีนเขาบอกว่าคนกล้าตายครั้งเดียวคนขาดตายหลายครั้งคนกล้าก็ตายเหนื่อตัวหมดลมไปแล้วจบแต่คนขาดนี่ตายหลายครั้งตายทุกวันนึกถึงความตายทีต้องเกิดกเพื่ัวเมื่อไหรก็หมดอะไรไป ย, ย่ากไร้เลวร้าหมดชื่อชีวานีอันนี้เรียกว่าตายแล้วตายถึงยังมีลมหายใจไอ้ที่บอกว่าความกลัวตายเนี่ยน่ากลัวความตายนะ คามตายน่ากลัวมากความกลัวตายการรู้จักความตายทาความเข้าใจความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะช่วยทําให้เรากลัวตายน้อยลงแล้วก็เป็นประโยชน์ขความตายหรือว่ารู้จักห า, กาประโยชน์จากมัน และนั่นแหละคือขั้นตอนสำคัญในการที่จะตายสงบการตายตายสงบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพูดได้เลยนะว่าเป็นสิทธิทของทุกคนทุกคนจะมีสิทธิตายสงบอาตมาแล้วก็คนที่ทำ ง, งานเบื่อผู้ป่วยและสุดท้ายที่ที่ตายไปในที่สุดเนี่ยก็เห็นเหมือนกันเลยนะว่า ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นใครมีสิทธิ์ตายสงบได้ทั้งนั้นการตายสงบไม่จำเป็นต้องผูกขาดว้วยกับพระอุทัปฏิปัตตธรรมคนไกลวัดคนไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาใดผู้ใหญ่เด็กสามสี่ขวบก็มีสิทธิ์ตายสงบได้ถึงเรียกได้ว่าการตายอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคน แต่ว่าสิทธิกับหน้าที่มันมาด้วยกันนะสิทธิกับหน้าที่มาด้วยกันเราจะได้สิทธิแล้วก็ต้องทําหน้าที่นะเราทํางานบริษัทนะเราก็คงพบ ว, ว่าเนี่ยเราจะได้สิทธิ์บางอย่างก็เพราะเราทํางานอย่างขยันันแข็งเราจะมีสิทธิตายสงบได้ก็ต่อเมื่อเราทํำหน้าที่ต่อความตายอย่างดีอย่างครบถ้วนไม่โกงความตายนะ ใครที่โกงความตายบิดผิวนะก็ยากทียจะตายสมบูรณ์นี่นาที่เองความตายคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือตระหนักว่าความตายเป็นหน้าที่ของทุกคนหน้าที่ของพ่อแม่คือเลี้ยงลูกหน้าที่ของครูคือสอนศิษแต่แหน้าที่ของมนุษย์หรือสังคารนี่คือหน้าที่หนึ่งคือตายการตายเป็นหน้าที่นะ เนี่ยป่าอุดมสมบูรณ์ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีสัตว์นานาชนิดมีพืชพันธุ์นับไม่ท่วนในี่มตายเพื่อจะกลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงนะให้ป่าอุดมสมบูรณ์หลายชนิดสัตว์นานาชนิดแล้วก็ต้นไม้พืชพันธุ์ตายเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่ามีสัตว์มีพืนนานาชนะชาติเนี่ยตายจะรอดตายเพื่อเราก็ได้ความตายเป็นหน้าที่ของทุกสังขารถ้าสัตว์ไม่ตายเลยนะโลกนี้คงจะ ล, นล้นสัตว์ก็คงจะลน้นโลกไปแล้วและถ้ามึงเราไม่ตายมึงเราก็จะลน้นโลกไปแล้วเราตายเพื่อเปิด โอกาสให้อนุชนรุ่นหลังได้มาใช้ประโยชน์จากโลกนี้นะพเพราะฉะนแม่ตายเนะี่ยแล้วเมื่อไหร่ลูกหลานจะได้บำรดจากเราใช่ไหมลูกหลานก็ต้องคอยไปเรื่อยๆนะเอนะนะ้เราตายนะเพื่อเปิดทางให้ออนุชนรุ่นหลังอันนี้แค่ประโยชน์ส่วนหนึ่งนะที่จริง การที่เราเปสุขภาพดีได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ามีสิ่งมีชีวิในร่างกายเราเนี่ยสมัครใจที่จะตายเขาตายเพื่อเราอยู่เขาตายเพื่อเราเป็สุขภาพดีสร้างไหมว่าทุกขณะเนี่ยมีเซลล์ในร่างกายเราตายนาทีหนึ่งก็เป็นล้านล้านเซลล์ภายในหนึ่งวันเนี่ยจะมีเซลล์ในร่างกายเราตายประมาณห้าถแสนล้านเซลล์ ศูนย์กี่ตัวนะศูนย์สิบตัวสองตัวได้มั้ยเซลล์นั้นตายเพื่อเปลืทังให้เซลล์ใหม่ที่ที่ใหม่กว่าสดกว่าหรือมีการสร้างโครโมโซมหรือยีนอย่างถูกต้องเพราะว่าเซลล์บางชนิดเนี่ยบางหลายตัวที่เดเนี่ยพอสร้างมาแล้วเนี่ยมันบกพร่อง โโมโซมันบกพร่องยียนมันบกพร่องมันก็จะมีการทำลายตัวเองหรือถ้าไม่ทำลายเต๋องก็จะมีกลไกมาจัดการให้มันตายตทุกวรันนี้ที่ขณทุกขณะนี้ที่เรามีสุขภาพดีได้เนี่ยนะเพราะว่ามีเซลล์จำนวนมหาศาลเลยเนี่ยเขาสมัครใจตายเพื่อให้เราอยู่นะแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนะก็ ก็ถึงคราวที่เราต้องตายบ้างเนพะื่อให้ให้โลกและชีวิตอื่นเนี่ยได้เกิดขึ้นมาเราต้องขอบคุณความตายที่ทำให้เรามีสุขภาพดีแต่ว่าไปแล้วในความตายเกิดขึ้นเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยเคยตรัสว่าเนี่ยความเจอยู่ในความสงสารโรคภัยอยู่ในความไม่มีโรค และความตา ย, ยในชีวิตผู้เจ้าจาัดเนี่ยเมื่อสองพร้อยปีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำพูดสวยๆรู้ๆนะเป็นปรชนัชญาเป็นความจริงเลยความตายกับชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยกันนะที่เรามีชีวิตขนานี้เนี่ยก็พรมีความตายเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาที่จริงความตายเกิดขึ้นกับเราก่อนที่จะเกิดได้ซ้านะคือก่อนที่จะเกิดจากท้องแม่ไอตอนที่ที่เรายเป็นยังเป็นตัวอ่อนนี่นะ พอเริ่มจะมีมือเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยมือเนี่ยมันเป็นมือเป็ด น, นะคือมีพังผืดติดอยู่ระหว่างนิ้วแต่ว่าพอพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพังผืดระหว่างนิ้วเนี่ยมันก็จะตายก็ทำให้มีนิ้วชัดเจนนะการที่เรามีนิ้วได้เนี่ยนะเพราะว่ามันมีเซลล์ราชิดสมัครใจที่จะตายและเพวกการที่เรามีนิ้วแบบนี้มันทำให้เราทำอะไรได้มากมายอย่างที่สัตว์ทำไม่ได้หลายอย่าง เช่นจับเครื่องไม้เครื่องมือจับจอบจับเสียมนะถ้าเราไม่มีนิ้วแบบนี้เนี่ยมีแต่พังคือเราจะจับได้ยังไงยากมากเขียนหนังสือได้กับพ่อเรามีนิ้วนั่ความตายเกิดขึ้นก่อนจะมีชีวิตก่อนที่จะเกิดซะอีกนะแต่มันไม่ใช่เป็นความตายของทั้งร่างแต่เป็นความตายของเซลลนะ์ในบางส่วนแล้วก็มาเกิดมาแล้วเซลล์ทั้งหลายก็จะตายเพื่อให้เรามีสุขภาพดี ทั้งหมดนี้เพื่อชี้ว่าความตายเป็นหน้าที่แล้วเราต้องขอบคุณที่ทุกเซลล์ได้ทำหน้าที่นี้แต่ไม่มีเซลล์บางชนิดนที่ไม่อยอมตายนะทางการแพ่ย์เรียกว่าเซลล์ อ, อมันตาคือมันจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบ่งตัวไปเรื่อยๆมันไม่อยอมตายทั้งที่มันเนี่ยสร้างตัวติดเลารูมไหมเซลล์ชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรชาวบ้า น, นเขาเรียกเซลล์มะเร็ง เซลเล์มะเรคือเซลที่ไม่ยอนตายที่เเซลล์อามาตะแล้มันไม่ยอนตายด น, นเมื่อสักหกสิบปีที่แล้มีคนตัดเอาเจ็บเอาเซลล์จากเซมเมเรจากเซลมเรเซมะเรจากบลูกของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวถี่นดชื่อไฮเรกตาเรามาเขาเลี้ยงไว้ในไว้ในจาร์อกว่ามันเติบโตตลอดเวลา จนแบบนี้ไม่ตา ย, ยแล้วเขาก็มีคนขอไปนะเอาไปทําการทดลองเอาไปทํางานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะมะเร็งเท่านั้นแต่การศึกษาพัฒนายาชนิดอื่นด้วยที่เกี่ยวกับเซลล์ที่จริงยาทุกชนิมันเกี่ยวกับเซลล์นั้นแหละมีคนประมาณว่าจนแบบ น, นี้เนี่ยเซลล์ของเฮลิเตอร์เซลล์มะเร็งของฮเฮลิเตอรเนี่ ย, ตตยรวมกันแล้วทั้งโลกเนี่ยห้าสิบล้านตันนะไม่ใช่ห้าหมื่นตันห้าสิบล้านตัน ขยายไปเรื่อยๆไม่ยอกตายที่อ่นะถ้ารวมกันแล้วเนี่ยห้าสิบล้านตันโอโ้ โ, อโหโมโหลาดมากเลยมันอามาตะจ่ิงๆนะเซลล์มะเร็งเนี่ยถ้าแห้ให้หามัน้็มันจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆมันจะตายไปกับเมื่อไม่นแห่อาหารมันแต่ถ้าจะมีอาหารที่มัไปเรื่อยๆเห็นเราต้องกระหนากว่าการตายเป็นหน้าที่และประการที่สองคือว่าเราต้อง ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่ต่อความตายดีที่สุดว่าต้องมีการจัดเตรียมนะต้องมีการเรียนรู้นะอย่างเชิมมาบอกว่านะเมื่อจะตายทั้งทีก็ต้องตายดีให้ได้นะการจัดเตรียมเนี่ยเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเพื่อที่ทำให้เราตายดีเนะท่าดีที่สุด ้การมาอบรมนะเข้าคอร์สแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดวิธีการหนึ่งนะคือเมื่จำเป็นต้องเข้ า, ขาคอร์สก็ได้มันมีวิธีการเตรียมตัวที่ตายดีมากมายคนหลายคนตายดีโดยที่ไม่ได้เข้าคอร์สแต่ให้ตระหนักว่าถ้าเราทําถ้าเราทําหน้าที่ต่อความตายอย่างดีที่สุดเนี่ย สิทธิ์ที่การตายสงบจะเป็นของเราไป ต, ตายสงบไดนะ้ส่วนว่าเราจะเตรนตัวอย่างไรน ะ, ะเราก็ค่อยๆมาค่อยมาว่ากันนะในช่วง3ามสี่วันนี้ก็จะก็จะพูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ต่อความตายให้ดีที่สุดการศึกษาทความเข้าใจและการ ทำหน้าที่ด้วยการตักเตียงที่ว่าในช่วงเช้านี่ก็ก็ให้เรียกว่ า, าปูพื้นนะให้เห็นความสําคัญของการทำความเข้าใจเรื่องความตายแล้วก็เห็นความสําคัญของการเตรียมตัวตายนะแล้วก็จะพูดกันต่อไปว่าแล้วเราจะตายดีได้อย่างไงนะเรากจะพูดขยายเพิ่มว่า ทำไมถึ ง, งตายไม่ดีอะไรเป็นเหตุผลไม่ตายไม่ดีอันนี้ก็จะมีวิทยากรหลายท่านมาช่วยเราด้วยคุณหมอมาาก็ท่านก็จะมาให้ความรู้คัานแนะนำกับพวกเราแล้วก็มีหลายท่านอาตอมาก็เป็นแค่ส่วนเท่านั้นเองก็ไปดิเท่า น, นี้